หนึสังฆะภวรณาที่ประเภทว่าด้วยประเภทปารณามีภาวณาเป็นการสงเป็นต้นเรื่องภิกษุ5รูปภวรณาเป็นการสงข้อส้อยสิสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันภวรณานั้นมีภิกษุอยู่ด้วยกัน5รูปภิกษุเหล่านั้นมีการสนทนาการดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าสงพึงภวรณา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 ภิกษุเหล่านั้นได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุห้ารูปปรวรนาเป็นการสงก็พวกเรามีเพียงสี่รูปจะพึงปรนาอย่างไรหนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุสรูปปรนาต่อกันวิธีรมปรนาเป็นการคณะภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุสีรูปนั้นพึงปรวาณาอย่างนี้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ภิกษุเหล่านั้นทราบว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพระเจ้าวันนี้เป็นวันปรวาณาถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วเราทั้งหลายพึงปวาณาต่อกันภิกษุผู้เทระพึงห่มอุตราสง์เฉวียงบาข้างหนึ่งนั่งประยงประนมมือกล่าวคำปรวาณาต่อภิกษุผู้นวกระเหล่านั้นอย่างนี้ว่า คำปรารณาสำหรับภิกษุมีพรรษาแก่กว่าท่านทั้งหลายผมขอปรารณาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมเมื่อผมทราบจะได้แก้ไขต่อไปท่านทั้งหลายแม้ครั้งที่สองผมขอปรารณาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดี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 ภิกษุผู้นวกาเพิ่องหงุมุตราสง์เสวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมมือกล่าวคำปรวรณาต่อภิกษุผู้เทระเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกระผมขอปรวรณาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจักได้แก้ไขต่อไป ท่านผู้เจริญทั้งหลายแม้ครั้งที่สองกระผมขอปรนนธาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจกได้แก้ไขต่อไปท่านผู้เจริญทั้งหลายแม้ครั้งที่สกระผมขอปรนนธาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจะได้แก้ไขต่อไปเรื่องภิกษุสรูปปวารณาเป็นการคณะสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุอยู่ด้วยกัน3รูปภิกษุเหล่านั้นได้มีการสนทนากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุห้ารูปปวารณาเป็นการสมให้ภิกษุสี่รูปปรนณาต่อกัน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 วันนี้เป็นวันปรวรณาถ้าท่านทั้งหลายพร้อมก็แล้วเราทั้งหลายพึงปรวรณาต่อกันพิสูุผู้เทราพึงหอมอุตราสงชเวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประโยงประนมเออกล่าวคำปรวรณาต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าคำปรวรณาท่านทั้งหลายขอผมปรวรณาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผม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 ขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมเมื่อผมทราบจะได้แก้ไขต่อไปภิกษุผู้นวกาเพิ่งหงมอุตราสง์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยง์ประนมมือกล่าวคําปรวารณาต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าคำปรวารณาท่านผู้เจริญทั้งหลายกระผมขอปวาณาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดี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 กระผมขอปรณนาต่อท่านทั้งหลายด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านทั้งหลายได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจากได้แก้ไขต่อไปเรื่องภิกษุสองรูปปรนรณาต่อกันข้อสองสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปรนรณานั้นมีภิกษุอยู่ด้วยกันสองรูปภิกษุเหล่านั้นได้มีการสนทนากันดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุห้ารูปประวัติาเป็นการสงให้ภิกษุสี่รูปประวัติาต่อกันให้ภิกษุสามรูปปรวัติาต่อกันก็พวกเรามีเพียงสองรูปจะพึงประวัติาอย่างไรหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุสองรูปประวัตาต่อกัน วิธีทำปรวรณาเป็นการคณะภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุสองรูปนั้นพึงปรวรณาอย่างนี้ภิกษุผู้เทระพึงห่มอุตราสง์เฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวกับภิกษุผู้นวักะอย่างนี้ว่าท่านผมขอปรวรณาต่อท่านด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมเมื่อผมทราบจะได้แก้ไขต่อไป ท่านแม 2, os, ้ครั้งที่สองผมขอประวรณาต่อท่านด้วยได <God. S 2> ้เ <p> ห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ว่าเก่าตักเตือนผมเมื่อผมทราบจะได้แก้ไขต่อไปท่านแม้ครั้งที่สมผมขอประวรณาต่อท่านด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนผมเมื่อผมทราบจะได้แก้ไขต่อไป ภิกษุผู้นวิกาพึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวกับภิกษุผู้เทระอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญกระผมขอปรวาณาต่อท่านด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจากได้แก้ไขต่อไปท่านผู้เจริญแม้ครั้งที่สองกระผมขอปรวาณาต่อท่านด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจะได้แก้ไขต่อไปท่านผู้เจริญแม้ครั้งที่สกระผมขอภวรณาต่อท่านด้วยได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยนึกสงสัยก็ดีขอท่านได้ช่วยอนุเคราะห์ ว, ว่ากล่าวตากักเตือนกระผมเมื่อกระผมทราบจากได้แก้ไขต่อไปเรื่องภิกษุรูปเดียวทำอธิษฐานภวรณาข้อสอง สมันั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุอยู่รูปเดียวภิกษุนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุ5รูปปวารณาเป็นการสงให้ภิกษุ4ี่รูปปวารณาต่อกันให้ภิกษุ3รูปปวารณาต่อกันให้ภิกษุสองรูปปวารณาต่อกันก็เราอยู่เพียงรูปเดียวจะพึงปวารณาอย่างไรเนอภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในอาวาาแห่งหนึ่งในวันปวารณานั้นมีภิกษุอยู่รูปเดียวภิกษุนั้นพึงกวาดสถานที่ที่ภิกษุทั้งหลายต้องกลับมาคือโรงฉันหรือมนดบหรือโคนไม้ก็ตามแล้วตั้งน้ําฉันน้าใช้ปูอาสนะตามประที่บแล้วนั่งอยู่ถ้ามีภิกษุเหล่าอื่นมาพึงปวารณากับภิกษุเหล่านั้นถ้าไม่มีมาเพึงอธิษฐานว่าวันนี้เป็นวันปวารณาของเรา ถ้าไม่อธิษฐานต้องอบัตทุกกฎพิกษุทั้งหลายในอาวาสที่มีภิกษุ5รูปไม่พึงนำปวารณาของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วอีกสรูปปวรณาเป็นการส่งถ้าปวรณาต้องอบัตทุกกฎพิกษุทั้งหลายในอาวาสที่มีภิกษุ4ี่รูปไม่พึงนำปวรณาของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วอีกสรูปปวรณาต่อกันถ้าปวรณาต้องอบัตทุกกฎพิกษุทั้งหลาย แหนวัดที่มีภิกษุอยู่3รูปไม่พึงนำปรวรณาของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วอีกสองรูปปรวรณาต่อกันถ้าปรวรณาต้องอบัตทุกกภิกษุทั้งหลายแหนวัดที่มีภิกษุอยู่2รูปไม่พึงนำปรวรณาของภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วอีกรูปหนึ่งอธิษฐานถ้าอธิฐานต้องอบัตทุกก